ติยกับปุจชาวิสัชนาในพ่อชงเจ็ดคือหนึ่งสติสัมโอชงสองธรรมวิญญสัมโอชงสามวิริยสัมโอชงสี่ปีติสัมโอชงห้าปัจสติสัมโอชงหกสมาธิสัมโอชงเจ็อุเบขาสัมโอชงบรรดาพ่อชงเจ็ดเหล่านั้นสติสัมโอชงเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้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 สภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติสัมโพชงและถึงสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยธรรมวิจยะสัมโพชงสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยวิริยะสัมโพชงสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปีติสัมโพชงสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปัสสติสัมโพชงสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสมาธิสัมโพชง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 นี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ดอุเบกขาสัมโพชงเอโกโตปูชาวิสัชนาในโพชงเจ็ดคือหนึ่งสติสัมโพชงสองธรรมวิจยะสัมโพชงสวิริยะสัมโพชงสปีติสัมโพชงหปัสสติสัมโพชง6สมาธิสัมโพชง โอเปคขาสัมโพชงในสภาวะธรรมเหล่านั้นโพชงเจ็ดเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะวิเคปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกษุ ส, สงัดจากการบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพภชงเจดคือสติสัมพภอชงและถึงอุเบกขาสัมพ่ชงก็เกิดขึ้นบรรดาพ่อชงเจตเหล่านั้น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 สภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่าโพ่อชงเจ็สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยพ่อชงเจ็โพ่อชงเจ็คือ 1. สติสัมโอชงสองธรรมวิจยสัมโอชงสามวิริยะสัมโอชงสี่ปีติสัมโอชงห้าปัสสติสัมโอชงหกสมาธิสัมโอชงเจ็ดโเบขาสัมโอชง บรรดาพภชงเจ็ดเหล่านั้นสติสัมโพชงเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามบรรลุปถมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอาวิเผ ป, ปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล พิสุสงัดจากกามบรรลุปถมฌานที่เป็นสญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตรักุศลนั่นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับหนึ่งในมักนี้เรียกว่าสติสัมโพชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสติสัมโพชง และถึงสภาวธรรมที่เหลือช <oons> ื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยธรรมวิจยะสัมโพชงสภาวธรรมที่เหลือชื sí ่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยวิริยะสัมโพชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปิติสัมโพชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปัสสติสัมโพชงสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสมาธิสัมโพชงผู้เบกขาสัมโพชงเป็นไน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 เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นอุเบกขาความวางเฉยความเพ่งเฉยความวางฉิตเป็นกลางอุเบกขาสัมโพชฌงนี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุติอุเบกขาสัมโพชฌงอภิธรรมภาชนีจบ ปุจกะโู้ชงเจ็คือหนึ่งสติสัมโู้ชงสองธรรมวิจยาสัมโู้ชงสามวิริยะสัมโู้ชงสี่ปีติสัมโู้ชงห้าปัสสติสัมโู้ชงหกสมาธิสัมโู้ชงเจ็ดโอเบขาสัมโู้ชงเทิกะมาติกาปุจชาทุกกะมาติกาปุจชาบรรดาโู้ชงเจ็ด พ่อชงเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้หนึ่งเติกกะมาเตึกาวิสัชนาหนึ่งถึงยีสองกุศลเติกกะทิวิสัชนาโพ่อชงเจ็ดที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิตก็มีปิติสัมพ่อชงสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา โ่ชงหกที่สัมปยุดด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุดด้วยอัทุคมสุขเวทนาก็มีพ่อชงเจ็ดที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากก็มีพ่ชงเจ็ดมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานพ่ชงเจ็ดกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานพชงเจ็ดที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีปีติสามพ่อชงไม่สหรครตด้วยปีติแต่สหวรครตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขาโพ่อชงหกที่สหวรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีโพ่อชงเจ็ดไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามพ่อชงเจ็ด ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามผูชงเจตที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีโพ้ชงเจตที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอเศชาบุคคลก็มีโู้ชงเจตเป็นอปปมาณะโู้ชงเจตมีอปปมาณะเป็นอารมณ์โพ้ชงเจตเป็นชั้นปราณี พ่อชงเจตที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีโพ่อชงเจตไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์โพ่อชงเจตที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีพ่อชงเจตที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีโพ่อชงเจตที่เป็นอดีตก็มี ที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีโู้ชงเจตกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โูชงเจตที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีโูชงเจตมีธรรมเป็นภายนอกตนเป็นอารมณ์โูชงเจเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ สทุกกะมาติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุโคชกาวิสัชนาธรรมวิทยาสัมโพชงเป็นเหตุโพชงหกสัมปยุทธ์ด้วยเหตุธรรมวิทยาสัมโพชงเป็นเหตุและมีเหตุโพชงหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุธรรมวิทยาสัมโพชงเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุโพชงหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุ หรือสัมบยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโพชงหกไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุธรรมวิจยะสัมโูชงกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสองจุลันตระทุกกวิสัชนาผชงเจ็ดมีปัจจัยปรุงแต่งโพชงเจ็ดถูกปัจจัยปรุงแต่งโพชงเจ็ดเห็นไม่ได้พู้ชงเจ็ดกระทบไม่ได้โพชงเจ็ดไม่เป็นรูป โ่ชงเจดเป็นโลกุตระพ่ชงเจดจิตบังดวงรู้ได้พ่ชงเจดจิตบังดวงรู้ไม่ได้สอาสวะโภชกะวิสัชนาพ่ชงเจดไม่เป็นอาสวะพ่ชงเจดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะพ่ชงเจดวิปยุตจากอาสวะพ่ชงเจดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ พ่ชงเจตกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะพ่อชงเจ7วิปยุทธ์จากอาสวะพ่อชงเจตไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสี่ถึงเกาสัญโยชนะโภชกาธิวิสัชนาพ่อชงเจตไม่เป็นสังโยตไม่เป็นคันธะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณไม่เป็นปรามา สิบถึงสิสองมหาตระทุกปาธิวิสัชนาผู้ชงเจตรับรู้อารมณ์ได้ผูชงเจตไม่เป็นจิตผูชงเจตเป็นเจตสิกผู้ชงเจตสัมพยุทธ์ด้วยจิตผูชงเจตรักควกับจิตผู้ชงเจตมีจิตเป็นสมุทฐานผูชงเจตเปิดพร้อมกับจิตผู้ชงเจตเป็นไปตามจิตผูชงเจตระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน พ่อชงเจพระควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตพ่อชงเจพระควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตพ่อชงเจตเป็นภายนอกพ่อชงเจตไม่เป็นอุปาทานยูรุพ่อชงเจตกรัมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือพ่อชงเจตไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลสสิบสาปิิทุกปรวิสัชนาะ พ่อชงเจตไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักพ่อชงเจตไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามพ่อชงเจตไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักพ่อชงเจตไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามพ่อชงเจตที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีโพ่อชงเจตที่มีวิจารณก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีปิติสามพ่อชงไม่มีปิติโพ่อชงเจตที่มีปิติก็มี ที่ไม่มีปิติก็มีปีติสัมพ่อชงไม่สหรคตด้วยปีติโพ่อชงหกที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีปีติสามพ่อชงเสหรคตด้วยสุขโพ่อชงหกที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีปิติสัมพ่อชงไม่สหะรคตด้วยอุเบกขาโพ่อชงหกที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี ที่ไม่สอหรักตด้วยอุเบกขาก็มีผู้ชงเจตไม่เป็นกามาวจรผู้ชงเจตไม่เป็นโรปาวจรผู้ชงเจตไม่เป็นอรโปาวจรผู้ชงเจตไม่นับเนื่องในวัตทุกขผู้ชงเจตที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มีผู้ชงเจตที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีผู้ชงเจตไม่มีทำเอื่นยิ่งกว่า พ่ชงเจดไม่เป็นเหตุให้สักร้องไห้ปัญหาปุจกะจบโพ่ชังควิพังจบบริบูรณ์สิบเอ็ดมักคะวิพังหนึ่งสุตันตะภาชนี อริยมรรคมีองค์แปดในที่หนึ่งอริยมรรคมีองค์8ปด ค, คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบสสัมมาวาจาเจรจาชอบสสัมมากรรมตกระทำชอบหสัมมาอาชีวเลี้ยงชีพชอบหสัมมาวายามะเพียรชอบเจสัมมาสติระลึกชอบ แสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบบรรดาอาริยมรรคมีองค์แปดเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขะนิโรธความรู้ในทุกขะนิโรธคาไ ม, ม่มีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียน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 เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรามนี้เรียกว่าสัมมากรัมรมันตะสัมมาอาชีวะเป็นไนพระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิชฌาอาชีวะแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไน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 สัมมาสติเป็นไนภิษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกงำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกงำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สี่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณัตและโทมนัติดับไปก่อนบรรลุเจตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุ ข, ม, สขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิอ ร, ริยมรรคมีองค์8ดอ ร, ริยมรรคมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะ สสัมมาวาจาสสัมมากัมมันตะหสัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ7สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิปัรดาอริยมรรคในองค์8ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนพิกสุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิที่อาศัยวิเวกวิราคะและนิโรธน้อมไปเพื่อความปล่อยวางและถึงเจริญสัมมาสังกัปปะ เจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมารกรรมันตะเจริญสัมมาอาชีวะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิที่อาศัยวิเววิราคะและนิโรดน้อมไปเพื่อความปล่อยวางสุตตันตภาชนีจบ พิธรรมมพาชนีมักมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง 8. ดสัมมาสมาธิบรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นมักมีองค์แปดเป็นไนะพิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌาน ที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์แปดคือสัมมาทิฐิละถึงสัมมาส ม, มาธิก็เกิดขึ้นบรรดามักมีองค์แปดเหล่านั้นสัมมาทิฐิเป็นฉนัยปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับหนึ่งในมักนี้เรียกว่าสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะเป็นไนะความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไนะความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากวจีทุจริตี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 นับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโภชงอันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโภชงอันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาสติ สัมมาสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิส ม, มาธิสามพุทโธงอันเป็นองมักนับหนึ่งในมักนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่ามักมีองแปดสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมักมีองแปด แจางขีขวาระเอกโตปจชาวิสัชนาในมักมีองค์ห้าคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสาสัมมาวายามะสี่สัมมาสติหสัมมาส ม, มาธิบรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นมักมีองค์ห้าเป็นไฉนภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามบรุปทมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์ห้าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาส ม, มาธิก็เกิดขึ้นบรรดามักมีองค์ห้านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัด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 วิริยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรค นี่เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่ามัคมีองห้าสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมัคมีองห้าปาติเยกะปุจฉาวิสัชนาในมัคมีองห้าคือหนึ่งสัมมาทิฐิสองสัมมาสังกัปปะสามสัมมาวายามะสสัมมาสติหสัมมาสมาธิ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 สัมมาทิฏฐิธรรมวิชยสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาทิฏฐิและถึงสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสังกัปปะสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาวายามะสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสติ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 นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสมาธิอัจทั้งคิฏฐิวาระมักมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจาสสัมมากรมมนตะห้าสัมมาอาชีวะหสัมมาวายมะเจ็ดสัมมาสติ8ดสัมมาสมาธิ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 ภิกษุสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุ ญ, ญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมัคมีองแปดคือสัมมาทิฏฐิละถึงสัมมาส ม, มาธิก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่ามัคมีองแปดสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมัคมีองแปด ปัญจคิกะวาระเอกโตปุจชาวิสัชนาในมักมีองค์ห้าคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสสัมมาวายามะสสัมมาสติหสัมมาส ม, มาธิบรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นมักมีองค์ห้าเป็นไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลคุตระ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 เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระปุสลนนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมากมีองค์ห้าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่ามักมีองค์ห้าสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธเดวยมักมีองค์ห้าปาติเอกาปจชาวิสัชนาใน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 บรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเศษปาก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลพิสุสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตรากุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ปัญญาเยริ ย, รยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลิกเฟ้นธรรมสัมมาถถทิฐิธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมครคนี้เรียกว่าสัมมาทิฐิสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาทิฐิละถึงสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสังกัปปะสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาวายามะ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 ภาวะที่จิตไม่สั่สายสมาธิสมาถินสีสมาธิพละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสมาธิพระพิธรรมะภาชนีจบ ปัจจักะปัจจมรรคมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจาสี่สัมมากรรมตตะห้าสัมมาอาชีวะหสัมมาวายามะเจ็ดสัมมาสติ8สัมมาสมาธิติตกะมาติกาปุชฌาทุกกะมาติกาปุชฌาบรรดาองค์มรรคแปดองค์มรรคเท่าไรเป็นกุศล เท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤิเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้หนึ่งเตะกะมาติ ก, กาวิสัชนาหนึ่งถึงยี่สิบสองกุศลตะการทิวิสัชนาองค์มรแปดที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิก็มีสามมาสังกับปะสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาองค์มรเจ็ดที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขลมสุขโควทนาก็มีองค์มร๘ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากก็มีองค์มร๘กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานองค์มร๘ก 8, ิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสัมมาสังกัปปะไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์องค์มร๗ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มี ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสามมาสังกัปปะสหรโคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขแต่ไม่สหรโคดด้วยอุเบกขาองค์มรรคเจดที่สหรโคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็ามีองค์มรรคแปดไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื้องบนสามองค์มรรคแปดไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรคและมรรคเบื mm ้องบนสาม องมรแปดที joue, See, again, ่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีองค์มรแปดที่เป็นของเสข่าบุคคลก็มีที่เป็นของอเศข่าบุคคลก็มีองค์มรแปดเป็นอัปปามะณะองมรแปดมีอัปปามะณะเป็นอารมณ์องค์มรแปดเป็นชั้นปรานีองค์มรแปดที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี องค์มร๘ไม่ใช่มีมร๑เป็นอารมณ์องค์มร๘ที่มีมร๑เป็นเหตุก็มีที่มีมร๑เป็นอธิปดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมร๑เป็นเหตุหรือมีมร๑เป็นอธิปดีก็มีองค์มร๘ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีองค์มร๘ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี องมัคแปดกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์องมัคแปดที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีองมัคแปดมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์องมัคแปดเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ทุกกปมาติกาวิสัชนา หเหตุตัวข้อจกะวิสัชนาสัมมาทิฐิเป็นเหตุองค์มรเจ็ดไม่เป็นเหตุองค์มรแปดมีเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุสัมมาทิฐิเป็นเหตุและมีเหตุองค์มรเจ็ดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสัมมาทิฐิเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุองค์มรเจ็ดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ องมรรคเจ็ดไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสำมาทิฏิกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสองจุลันตะทุกกวิสัชนาองค์มรรคแปดมีปัจจัยปรุงแต่งองค์มรรคแปถูกปัจจัยปรุงแต่งองค์มรรคแปดเห็นไม่ได้องค์มรรคแปดกระทบไม่ได้องค์มรรคแปดไม่เป็นรูปองค์มรรคแปดเป็นโล ก, กุตระ องค์มรแปดจิตบางดวงรู้ได้องค์มรแปดจิตบางดวงรู้ไม่ได้สถึง9อาสวะโคจราธิวิสัชนาองค์มรแปดไม่เป็นอาสวะองค์มรแปดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะองค์มรแปดวิปยุจจากอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะองค์มรแปดกล่าวไม่ได้ว่า เป็นอาสวะและสัมยุญด้วยอาสวะหรือสัมยุญด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะองค์มรแปดวิปยุจจากอาสวะองค์มรแปดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะองค์มรแปดไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรไม่เป็นปรามาตสิ0ถึงสิองมหันตระทุ ก, กาธิวิสัชนาองค์มรแป8รับรู้อารมณ์ได้ องค์มร๘ไม่เป็นจิตองค์มร๘เป็นเจตสิกองค์มร๘สัมปยุทธ์ด้วยจิตองค์มร๘รักคนกับจิตองค์มร๘มีจิตเป็นสมุทฐานองค์มร๘เกิดพร้อมกับจิตองค์มร๘เป็นไปตามจิตองค์มร๘รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานองค์มร๘รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต องค์มร๘เพราะคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตองค์มร๘เป็นภายนอกองค์มร8ไม่เป็นอุปาทายรูปองค์มร8กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือองค์มร๘ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. บสปิติทุกวิสัชนาะองค์มร๘ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมร๘และมร๘เบื้องบนสาม อง์มร๘ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร๖และมร๖เบื้องบน๓สัมมาสังกัปปะไม่มีวิตกองค์มร๗ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสัมมาสังกัปปะมีวิจารณองค์มร๗ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีสัมมาสังกัปปะมีปิติองค์มร๗ที่มีปิติก็มีที่ไม่มีปิติก็มีสัมมาสังกัปปะสรคคตด้วยปิติ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 องมักแปดไม่เป็นรูปาวจรองมักแปดไม่เป็นอรูปาวจรองมักแปดไม่นับหนึ่งในวัฏทุกองมักแปดที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกก็มีองมักแปดที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีองมักแปไม่มีทําอื่นยิ่งกว่าองมักแปดไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุชกะจบ มากะวิพังจบบริบูรณ์